วันนี้เป็นวันนัดประชุมเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าพวกเราจำพรรษาปีพุทธศักราช2553วันนี้เป็นวันเกือบจะเป็นวันจุดท้ายวันที่เป็นวันปลงผมและก็วันมะรืนนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันปวรณาถ้าว่าพวกเราไม่ได้มาประชุมกัน ในวันนี้ก็คงจะหาโอกาสยากพอช่วงออกพรรษาไปแล้วก็คงมีธุระการงานที่พวกเราจะต้องจัดต้องทาล้วนแล้วจะเป็นงานที่จะต้องต้อนรับขับสู้เกี่ยวกับคู่คนที่จะมาเกี่ยวข้องคืองานกระถิน่นออกพรรษาแล้วกระถิ่นก็เพียงเจ็ดวันก็เป็นงานกระถิน่น คือวันที่สามสิบเอ็ดออกพรรษาที่ยี่สิบสามตุลาและก็วันที่สามสิบเอ็ดตุลาเป็นวันกระถินในช่วงที่จากนั้นจากวันที่ย3ิบสามถึงวันที่สามสิบเอ็ดพวกเราก็คงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรเพราะจะต้องเตรียมการต้อนรับขับสู้งานใหญ่งานประจำปีในวัดของเรา แต่ว่าก่อนออกพรรษาวันนี้หลวงพ่อเห็นว่าคงจะมีการประชุมหารือกันเมื่อออกพรรษาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็ใจได้แยกย้ายกันกลับไปทำหน้าที่การงานเพราะว่าผู้ที่เขามาบวชลาดราชการมาก็มีเป็นผอค้าไปชาชนก็มีทั้งอยู่ในครัวก็เหมือนกั น, นที่เขามาปฏิบัติธรรมก็คงจะได้กำหนด ที่มาปฏิบัติธรรม3าเดือนหรือว่าสเดือนเรียกว่าเขามาครึ่งเดือนเอนคือกำหนดกฎเกณฑ์ของพวกเราคงจะเสร็จงานกระถิน่นถ้าไม่มีอะไรคงจะได้แยกย้ายกันกลับในช่วงนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าในการอยู่ด้วยกันถึงจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวดังที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ ในวัดวาศาสนาที่หลวงพ่อเป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ได้มาคิดทบทวนการอยู่ร่วมกันมากมายหลายหัวใจจะให้เป็นแนวแถวเดียวกันนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้เคยคิดเลยว่าหัวใจจะเป็นหนึ่งเดียวจะต้องมีการแนวความคิดมากหลากหลายนานาจิตตังนานาทัศนะเพราะนั้นนานาจิตตังนานาทัศนะ คานี้ล่ะก็จะต้องออกไปนอกความคิดของใครของเราแต่ถึงอย่างไรแต่บางคนก็อาจจะเตลิดเปิดเปิงจนไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองว่าเรามาอยู่ปฏิบัติธรรมนี้มุ่งหวังอะไรบางทีอาจจะเตลิดเตลิดเปิดเปลิงไปมากกว่านั้นแต่ถ้าว่าพวกที่อยู่ในกรอบก็เมื่อ เ, เราเข้ามาถึงจะเตลิดเปิดเปิไปงไปยังไงก็ตามเราก็มีความมุ่งมั่นว่าข้าไปจ้าบวชมาเพื่ออะไร มุ่งหวังอะไรต้องการอะไรคือจุดใหญ่ของเราอันนี้ก็ดังดึงเข้ามาหากกรอบเข้ามาหาหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็วางตัวประพฤติธปฏธิบัติธรรมถึงจะออกนอกลูก่นอกทางไปยังไงก็พยายามดึงเข้ามาจุดนี้คือหวังความพธิทุกในวัฏสงสารจะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีก เ, ออเป็นอนันตา ก, การ มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในจิตใจของเราอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาถ้าทำได้อย่างนี้เลิศประเสริฐที่สุดแต่ถ้าว่าทำไม่ได้อย่างนี้แล้วน่าที่นี้นาน า, นาจิตต่างนาน า, นาทัศนะในแนวความคิดของแต่ละคู่แต่ละคนมากลากหลาบางคนอาจจะมีการผูกพยาบาทอาฆาตกันจองเวีจองตำจองเวีต่อกันถ้าคนอยู่นอกโลกอยู่ อังกฤษอเมริกาพวกเราไม่รู้จักไม่มีใครที่จะมาผูกพยาบาทอาฆาตกับเราแต่คนอยู่ที่ใกล้เรานั่นแหละถ้าไม่ถูกใจกันแล้วผิดใจกันแล้วมองกดขัดข้องมองกัดใจกันแล้วนั่นแหละจะมีการไม่พอใจกันกับผูกเจ็บใจผูกความเจ็บใจจากนั้นเหมือนกับไฟที่แรกมันก็น้อยเดียวต่อมามันก็นลุกลามใหญ่โตขึ้นไปเรื่อย ถ้าว่าพวกเราไม่ช่วยกันดับในขณะที่ไฟมันเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มาอยู่ด้วยกันให้รู้จักว่านานาจิตตังนานาทัศนะให้รู้จักวางตัวให้ถูกอย่าไปแบกหัวจิตหัวใจอยากจะให้ทุกคนเป็นอย่างหัวใจเราเอออยากทุกคน ห, หัวใจเราอยากจะให้เป็นอย่างหัวใจทุกคนก็เช่นเดียวกันเราเป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อเป็นไปไม่ได้เราจะให้หัวใจทุกคนมาเป็นหัวใจเราได้ไหมก็คงเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดดูใจของเราไว้อยู่เสมอให้พวกเราคิดไว้ในใจแล้วก็จะวางตัวอย่างไรจุดมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราคืออะไรจุดมุ่งมั่นมุ่งหมายของแต่ละคนนั้นคืออะไรเราอยากจะให้เขาพ้นทุกใช่ไหม เรือว่าเราจะไปเดียบย่ำทำลายคนอื่นเขาใช่ไหมสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดต้องคิดในใจต้องดูใจของตนเองถ้าว่าพวกเราอยากจะให้หมูหมากาไก่เป็นอย่างคลิกของความคิดของเราเพราะมันมีใจเหมือนกันทำไมมันจึงเป็นหมาทำไมมันจึงเป็นแมวทำไมจึงเป็นสัตว์ทำไมคนคนนั้นจึงเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างใจเราบ้างสิถ้าคิดอย่างนั้นเมื่ อ, อไหร่ คนนั้นอีกไม่นานเขาจะต้องจับไปไว้ที่ศีรัญญามหาโพธิ์เพราะเหตุะไรมันคิดแปลกเพราะคิดอยากจะให้โลกทั้งโลกเป็นอย่างวาใจัยของเรานี่ยนแะสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้รู้จักแจกแยะแต่ถ้าว่าแยกแยะดูแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่ใจเราเราทำยังไงเราก็ต้องบอกกล่าวอันนี้บอกกล่าวแนะนาสั่งสอนนั้นต้องดึงเข้ามา สู่กฎระเบียบหลักธรรมวินยัยอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันที่เป็นหัวหน้าพวกท่านทั้งหลายหลวงพ่อไม่ใช่ว่าอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายเป็นอย่างที่หลวงพ่อคิดทุกอย่างไม่ใช่หลวงพ่อคิดอย่างนั้นหลวงพ่อก็คงจะเข้าไปทํานองนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะต้องพูดเป็นกลางพูดให้เพื่อนแนะนําเพื่อการศึกษาให้พวกท่านทั้งหลายคิดอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะ พูดอย่างนี้นะถ้าไม่คิดอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ถ้าไม่พูดอย่างนี้ถ้าคิดน่ยข้าไม่ว่าทูตเจ้าจะคิดยังไงก็ได้คิดจะด่าหลวงพ่อทุกวีทุกวันหลวงพ่อก็ไม่ว่าแต่ล้งแต่พวกท่านทั้งหลายด่าหลวงพ่อเมื่อไหร่ด่าหมู่พวกเพื่อนเมื่อไหร่การกระทําออกมาผิดรอบรูปแบบเมื่อไหร่เมื่อนั้นพวกเราจะต้องจัดการกันเพราะมันผิดศีลแล้วแต่ในใจของท่านนั้นไม่มีใครที่จะรู้จะดูด่าว่ากาวยังไง จะด่าใครก็ได้ไม่มีไม่มีปัญหาแต่การกระทําหรือการพูดออกมานั้นนั่นแหละจะต้องจัดการตามกฎระเบียบที่มีไว้ตามหลักทำคำสอนหรือว่าตามหลักพระธรรมวินัยหรือในกฎหรือในศีลของพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันนี่แหละอันนี้ก็คืออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายคดิดดูมาอยู่ที่นี่มาอยู่เพื่ออะไรต้องการอะไร ต้องการลาบใช่ไหมก็ไม่ควรจะแสวงหาลาบในจุดนี้ต้องการยศใช่ไหมก็ไม่ควรจะแสวงหายศในจุดนี้ต้องการสรรเสริญใช่ไหมก็ไม่ควรจะแสวงหาความสรรเสริญในจุดนี้ในวัดนี้ต้องการสุขใช่ไหมใช่ต้องการสุขสุขเรื่องอะไรสุขเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องหลับเรื่องนอนอย่างงั้นใช่ไหมก็ไม่ควรจะแสวงหาความสุขในที่แห่งนี้ ถ้าสุขทางด้านจิตใจจะทำยังไงจึงจะหลุดพ้นจากอาสวัคเเลตอันนั้นละถูกต้องควรฉเฉาะแสวงหาความสุขจะทำยังไงจึงไม่มาเวียนว่ายตายเกิ ด, ดนั่นคือความถูกต้องในจุดนี้เพราะดันสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่วัดวาศาสนามา ส, สู่จุดนี้จะวางตัวอย่างไรจะทำใจอย่างไรจะคิดยังไงจะทายังไงจะพูดอย่างไรจึงจะถูกต้องแต่พวกเราถ้า คิดไม่ถูกทำก็จะไม่ถูกพูดก็จะไม่ถูกอันดับแรกมันจะทำร้ายทำลายตัวของท่านเองนะเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ทำลายหมู่พวกเพื่อนจากนั้นก็ทำลายวงการพระพุทธศาสนาทั้งที่เราเข้ามาเพื่อศึกษาแต่เรามาเองทำร้ายทาลายซะเองเพราะเหตุอะไรเพราะเราใช้ทิฏฐิมานะคือความโลภความโกรธความหลงนำหน้าไม่ใช่ทำนาหน้า ถ้าทำนำหน้านะั่นคือหลักเหตุผลเราเข้ามาเราต้องแยกแยะดูให้ออกว่าคนโง่คนฉลาดมีคนมีสติมีปัญญามีสติปัญญาไม่เหมือนกันเนีประสาทไม่เหมือนกันความเดอมร้้าตระ ก, กูลไม่เหมือนกันการเรียนการศึกษาไม่เหมือนกันวิชาอาชีพที่เราเข้ามาไม่เหมือนกันเสีงเหล่านี้พวกเราต้องเปรียบเทียบแยกแยะให้ออกถ้าพวกเราแยกแยะไม่ออก นั่นแ่ะเราจะแบกโลกเราจะเป็นทุกเราจะเป็นบ้าก่อนออก่อนใครทั้งหมดแต่ถ้าว่าพวกเรารู้จักแก้แก้แล้วเรารู้จักปล่อยวางแล้วนั่นแหละเราอยู่นสถานที่ใดก็ได้อย่าไปสำคัญอย่าไปพยองพองตัวว่าข้าเป็นบุคคลสำคัญแต่ขนาดหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองก็ไม่เคยคิดว่าข้าพปเจ้าสำคัญกว่าพวกท่านทั้งหลายไม่เคยคิดแต่เมื่อเป็นหัวหน้าเขาสวมหัวโขนให้เป็นอย่างนี้ หลวงพ่อจะต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ก่อนน้า น, นี้หลวงพ่อก็ไม่เคยคิดเหมือนกันไปอยู่ที่วัดหลวงตาหลวงพ่อก็บางหลังในแอบอยู่ตลอดเวลาแต่เหตุไรพอห ล, อลวงพ่อยังไม่ใช่หน้าที่แต่บัดนี้หลวงพ่อจะไปพูดอุออบอปปบอย่างนั้นไม่ได้ต้องกล้าพูดต้องกล้าแสดงได้พบประสบประการณ์มาอย่างไรได้รู้เห็นมาอย่างไรได้เรียนได้ศึกษามาอย่างไรหลวงพ่อก็จะต้องแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่มาศึกษาเราก็ไม่ว่าเราก็ไม่อยากจะจะพายบาดแบกกรดไปหาสอนคนไม่ใช่แต่ก่อนที่จะไปสอนคนเขาต้องนิมนต์มาก่อนมีความจํานำ农สก่อนอยากจะให้หลวงพ่ออินไปแสดงธรรมอ้าวพอไปถ้าเขาไม่นิมนต์แสดงธรรมหลวงพ่อก็จะไม่ไปแสดงธรรมไม่พูดในจุดนั้นเพราะหลวงพ่อไม่อยากเพราะลายจึงไม่อยากเพราะการแนะนําสั่งสอนน มันเป็นทุกก่อนที่จะคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ทุกพอสมควรที่จะออกปล่อยออกเป็นคําเป็นคําเป็นคําที่จะแนะนําสั่งสอนคนนั้นเนีเมื่อสอนไปแล้วบอกไปแล้ว เ, เขายังถุยน้าลายใส่หน้าเราอีกเนี่ยได้ทำยังไงมันเสียเสียกับทางแนวความคิดเสียกับการกระทำของตัวเองผลประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่ได้อีกเพราะเขาไม่ไม่ได้ขอมาเขาไม่ได้ตั้งความเคารพ ในการแสดงธรรมกับเราเพราะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการวางตัวและการกระทําสิ่งไหนก็ตาม เ, เราต้องสํารวมต้องระวังทุกๆ ท, ท่าน เ, เรามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเรามาส่อแสวงหาความสุขไหมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเราสุขสสแสวงมาแสวงแสวงหาคุม้มความสุขเรื่องอะไร ถ้าว่าเรามาส่อแสวงหาความสุขแบบโลกๆอย่ายำไปส่องแสวงหาที่นี่มันไม่เจอหรอกถ้าส่อแสวงหาทางพ้นทุกมาเพื่อชำระใจมาหาทางพ้นทุกอันนั่นแหละถูกต้องแต่ถ้าว่ามาส่อแสวงหาทางโลกคนหนึ่งส่อแสวงหาธรรมมันจะยุ่งกันที่ไหนผิดพูดอะไรเข้ามาเกิดแตะกันก็ไม่ได้เป็นคลังกิเลสไปหมดมีแต่อารมณ์โมโห โ, โกรธาต่อกันเราจะมาอยู่เพื่ออะไร หวังอะไรแต่ขนาดหลวงพ่อเองก็ไม่ได้หวังความสุขทางโลกโลกกับวัดแห่งนี้นะมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์เท่านั้นอไม่คิดว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหร่อายุเท่าไหรแล้เดี๋ยวนี้ถามตนเองไม่อยู่เสมออายุเท่าไหรเดี๋ยวนี้จะอยู่ไปอีกกี่วัน จากนี้ไปถามมาอยู่เสมออันนี้คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการที่พอพูดได้ก็พูดอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้แนะนำสั่งสอนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายแต่เราไม่ต้องเสียใจเมื่อเราไม่ได้พูดแล้วก็จบในเมื่อที่พูดแล้วก็พูดให้ดีที่สุดได้ประสบประการณ์มาอย่างไรมีความรู้ความคิดได้ประสบปการมาอย่างไรก็พยายาม แนะนำสั่งสอนพวกน้องๆทั้งหลายคณ้าศราชกาญาติโยมทั้งหลายเป็นแนวความคิดจากนั้นพวกท่านทั้งหลายถ้าจะถือเป็นตัวอย่างหรือว่าจะนําไปประพฤติปฏิบัติก็นำไปพุย่ยไปพประพฤติปฏิบัติได้เพราะได้รับการศึกษาพ่ออาศัยการได้ยินได้ฟังผมก็ได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาทอดหนึ่งอีกเหมือนกันเได้อ่านได้ศึกษาในเลขิตในพระไตรปิฎกเจ้าเห็น ในการแนะนําสั่งสอนของท่านจากนั้นก็ใดนํามาบอกกล่าวให้แก่พวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เขาเมาบวชหรือเข้ามาศึกษาในวัดของผมในวัดของเราก็อย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นว่ามีนานาจิตตังนานาทัศนะนานาความเห็นนานาการเป็นอยู่นานาจิตตังและจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ เพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วเราอยากจะให้ทุกคนเป็นอย่างที่ใจเราคิดนั้นอย่าคิดอย่าหวังมีแต่ทำตัวของเราเองเราเข้ามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อศึกษาเรามาเพื่อสะแสวงหาบุญเรามาเพื่อสังสมบุญกุศลเรามาเพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อให้บารมีของเราแก่กล้าขึ้นเพื่อสะแสวงหาทางพ้นทุกข์ไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดอีกนี่แหละ ถ้าว่าพวกเรามาอย่างนั้นคือมาศึกษาด้วยความถูกต้องเหมือนมแมลงผู้มแมลงพึ่งเข้ามาจะแสวงหาเอาแต่เกสรดอกไม้แต่พวกเราเข้ามาถ้ า, มาแมลงผู้ก็ดีมแมลงพึ่งก็ดีถ้ามันโง่นะมันก็จะเอาเรื่องทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเรื่องขี้มัวลาขี้หมาแห้งเรื่องพระทะเลาะกันเรื่องพระที่ทไม่ถูกบางองค์ ก็เอาไปโพดไปโคไปโพลนธนาติเตียนเออเอาไปพูดว่ากล่าวสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนั้นแปลว่ามแมลงภูแมลงพึ่งเออแมลงพึ่งที่เป็นแรงงานที่โง่อพอไปตัวอื่นเขาไปเอาน้ําพึ่งไปเอาน้ําเกสรดอกไม้แต่มันไปกัดเอาเปลือกไปกัดเอากระพี้ไปกัดเอาใบเอามาใส่รังของตัวเองเอพวกพึ่ง ทั้งหลายทั้งปวงมันก็คงจะต่ำ เ, เลวแมลงพึ่งพึ่งงานต้นนี้โง่ามากทั้งที่มันจะไปเอาดอกไม้มาใส่รังของตอนเองมันไปกับเอาเปลือกเอาขดพีมาใส่รังของเราให้รกรงรังเปล่าๆ เ, เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้ามาศึกษาสิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวมันมีอยู่ในต้นไม้นะั้นเราจะเอาอันไหนไปใช้ไปประกอบคุณงามความดีของเราหรือไม่มีเสเลย ถ้าไม่มีเสลยเราอยู่ทำไมอยู่ในวัดนี้ถึงสามเดือนสี่เดือนผมเองก็ไม่ได้ขอร้องให้พวกท่านอยู่อีกต่างหากอยู่ทำไมมันไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันเกิดประโยชน์แล้วเอาสิ่งที่มันเกิดประโยชน์เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราเอาไปใช้ในจิตใจของเราเอาไปประกอบเพื่อให้ส่งเสริมจิตใจของเราให้สูงสงขึ้นให้ได้สาเร็จ สมความมุ่ง ม, มากปรารถนาเรามุ่งหวังอะไรเราต้องการมุ่งบวชเข้ามาเพื่อสั่งสมบุญถ้าพวกเรามาเพื่อสั่งสมบุญเราก็ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีให้สั่งสมบุญไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบวชแล้วทำตัวไม่ดีอยู่เป็นวันๆไปเพื่อจะออกไปไปอยู่งคาวาสก็ขี้เกียจถ้ามาอยู่ในเป็นพระก็ขี้เกียจ เหมือนกับลิงที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นลือศีมีลือีกลุ่มหนึ่งแต่ละวีแต่ะ ว, แตะวันมิตรหายอยู่หากินผลละมากรากไม้จากนั้นก็มาพูดตลกทนองหยอกหลอกเล่นหยอกเล่นกันเป็นแต่ละวีแต่ละวันไม่มีการบอมเพนมีลิงป่าตัวหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆ ลือศีเหล่านั้นทํำอากับกิริยาอย่างไรลิ้ยงตอนนั้นมันจําได้หมดอมันก็มาเล่นออากับกิริยาของลือศีเหล่านั้นมาเล่นลือศีเหล่านั้นก็ไม่ได้บําเพ็ญอยู่แล้วจิตใจปล่อยปะละเลยอยู่แล้วแต่ละวี่แต่ละวันเห็นลิงเลี้ยงกับพระก็เลยเข้ากันเลี้ยงกับลือศีเหล่านั้นก็เลยเข้ากันได้อกลมเกลียวกันว่างั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลิงกับลืษีเหล่านั้นพอต่อมา ลือศีเรานั้นก็ออกไปจากป่าเพื่อไปหาเกลือเพื่อได้กินทานอาหารเผ็ดอาหารเค็มมัง่งจากนั้นลือีไปก็มีลือีผู้ปฏิบัติธรรมมาทนี่พอลือีผู้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ท่านมาท่านก็เห็นหลิงเนี่ยทําอากับกิริยาให้ดูท่านก็วอกเออเลงเธอทํำยังไงทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องนะอันนี้ ทำเหมือนลือศีเขาทําใช่ไหมถ้าทําเหมือนลือศีเราทำโอ้โหน่าสลดสังเวชใจนะลือศีเหล่านั้นแสดงว่าไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจเสเลยมีแต่ส่งจิตสองใจเปล่าประโยชน์ที่มาอยู่ในป่าดงพงไพ่ยอย่างนี้เออลิงตัวนี้ทําไมทําเหมือนอากับกิริยาของลือศีเหล่านั้นดูแล้วเหมือนอากับกิริยาลือศีเหล่านั้นคงจะสอนหรือลิงตัวนี้คงจะ จับอกับกิริยาของหรือสีเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างหรือสีท่านนี้ก็เลยพระโพธิสัตว์ก็เลยสอนลิงยอย่านะลิงนะทำอย่างนี้ติต้องมีมารยาทอย่างนี้สิต้องทำตนอย่างนี้สิจากนั้นพอสีท่านนี้ก็เลยสอนสอนกิริยามารยาทให้แก่ลิงลิงตัวนั้นก็เป็นลิงที่ดีนีนิสัยเชื่องนิสัยมีกิริยามารยาทที่ดีไม่ทำนอกลกูนอกทาง จากนั้นลือศีที่เ้ท่านก็กลับท่านก็ไปเที่ยวทางอื่นต่อไปจากนั้นลือศีที่ออกไปแล้วก็กลับเข้ามาอาศรมของตนเองพอมาเห็นลิงตัวนี้ก็ลิงตัวนี้ก็รู้สึว่ามีกิริยามารยาทที่ดีเออไม่บันผิดแปลกแตกต่างกว่าครั้งก่อนก่อนที่ที่เห็นเป็นอยู่เออลือศีเหล่านั้นก็เลยแปลกใจฮะ นี่แหละเพราะนั้นการครบคนเช่นไรการเป็นอยู่กับคนประเภทไหนโดยมากมันจะเป็นคนอย่างประเภทอย่างนั้นเลิงไปคร บ, บรือศีชอบเล่นปล่อยจิตปล่อยใจทั้งวีทั้งวันลิงก็ไปเป็นอย่างนั้นอีกถ้ามาคบกับลือศีที่เป็นบัณฑิตนักปราชเล็งตัวนี้ก็กลับมาเป็นผู้รู้จัก นิสัยกิริยามารยาทก็ปรับตัวเข้าเป็นบัณฑิตนักปราชได้นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาศึกษาปล่อยป่าละเลยเ้่าพวกเราไม่ได้ศึกษาในทำคำสอนไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วพวกเราจะออกนอกลูก่นอกทางไม่มีที่สิ้นสุดเพอ้อเพยยังประมาทในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไร พ่อพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ศึกษาไม่เอาจริงจังแต่ละวีแต่ละวันปล่อยปาดละเลยเพราะนั้นจะเห็นของจริงจังได้อย่างไรจะเห็นคุณค่าในการบวชในการศึกษาเห็นศีลธรรมจริ ย, ยธรรมได้อย่างไรถ้าว่าพวกท่านจริงจังและจริงใจปฏิบัติแล้วผมมั่นใจเหลือเกินว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าสู่จิตใจของพวกท่านเมื่อพวกท่านนาไปประพฤติปฏิบัติ จนพวกท่านชีวิตจะหาไม่จะจ ะ, จะได้รับแต่ความสุ ข, สขความเย็นใจตลอดไปไม่เป็นอย่างอื่นเพราะธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนที่อื่นสอนใจของพวกเราท่านทั้งหลายใจคืออะไรคือใจคือความนึกคิดของพวกเราคิดให้ถูกถ้าคิดถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าคิดผิดเมื่อไหร่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะให้เป็นสัมมาทิฏฐิ และขามาศึกษาณสถานที่แห่งนี้สิ่งที่มันไม่ดีต้องมีผมมั่นใจเหลือเกินว่าต้องมีแต่สิ่งที่ดีพวกท่านต้องคิดต้องเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่ดีนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพวกท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านถึงจะไปอยู่ณสถานที่ใดก็ตามให้เป็นคนดีอย่าเป็นคนเลวให้มาศึกษามาศึกษาแล้วให้นํำทำคําสอนที่ผมได้สอนอันดับแรก เมื่อพวกท่านออกไปเป็นคารวาสที่พวกจราศึกขาพ่อได้บวชเข้ามาตามกําหนดแล้วอย่างน้อยท่ามีศีลห้าเป็นพื้นฐานไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วพ่อสึกออกไปแล้วยิ่งแย่กว่าเก่าเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วต้องแย่กว่าเก่าแม่ผมพูดอย่างนั้นได้ แค่ทวันพวกท่านทั้งหลายเชื่อในำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตายแล้วเกิดบาบุญคุณโทษผีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญถ้าพวกเราเชื่อเพียงแค่นี้แหละพวกท่านทั้งหลายก็จะแนะนำกายวาจาใจของท่านไปในทางที่ถูกต้องสิ่งไหนที่มันไม่ควรจะคิดสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหนไม่ควรทําพวกเราพวกท่านทั้งหลายควรจะแยกแยะออกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศีลห้าออมีศีลห้า ศีลห้าได้แลจะเป็นเครื่องประคับประคองใจของพวกท่านทั้งหลายจากนั้นก็ดูแลบิดามัรดาของพวกท่านจากนั้นก็ดูแลกิจการงานของพวกท่านให้เป็นกิจการงานที่บริสุทธิ์อย่าไปขายยาบ่งยาม마คัญชายาฝิ่นอย่าไปขายพวกเหล่าพวกยาสิ่งที่มันผิดศีลธรรมถึงจะไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลธรรมแี่ยวคำมิจฉาชีพมิจฉาวนิจชาคือการค้าขายไม่ชอบธรรม เรื่องเป็นคารวะเนการค้าขายก็มีเขตจำกัดเหมือนกันมิจฉาวณิชช า, ว, ชาวานิชชามิจฉาคือมิจฉาชีพวานิชชาคือการค้าขายค้าขายคือวานิชไม่ชอบทำค้าขายเครื่องประหารเครื่องประหารมีทั้งาเครื่องดักเครื่องอวนเครื่องดักนกเครื่องปืนผาหน้าไม้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเครื่องประหารหยุกยาฆ่ามแมลง ค่าสัตว์อันนี้อันนี้เรียกว่าเครื่องประหารทั้งนั้นค่าขายเครื่องประหารค่าขา ย, ขายสัตว์เป็นสําหรับค่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายหมูหมากาไก่ให้เพื่อขายเขาไปค่าเนี Sig? ่ยค่าขายเครื่องมหารน่าขายมนุษย์อมนุษย์ก็ชัดเจนอยู่แล้วขายมนุษย์อ <hockey> ย่างทุกวันมันมีเยอะแยะขายมนุษย์่ะไม่อยากจะพูดเครื่องขายมนุษย์มีมากมายขายผู้หญิงขายผู้ชายขายได้ทั้งนั้น่ะ และก็ขายน้ำเมาและก็ขายยาพิษสิ่งเหล่านี้พวกเราอย่าทำอย่าขายอย่าประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอันนี้คือถึงจะยากจนยังไงก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิค้าขายในทางที่ถูกต้องแล้วก็พร้อมกันเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเรารู้จักแล้วว่าสิ่งไหนควรไม่ควรแต่สมัยก่อนเมื่อเราเป็นครวญเรามองเห็นแล้วว่า เรามองเห็นเรามองไม่เห็นเมื่อเราเป็นครวัตเรามองไม่เห็นจุดไหนดําจุดไหนขาวจุดไหนควรไม่ควรอย่างไรเรามองไม่ออกแต่บัดนี้เราก็ามาบวชในเป็นร ะ, ระยะเ ว, เวลาถึงสามเดือนเราได้ศึกษาเราได้ค้นคว้าเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์อย่างผมเป็นต้นผมไม่เคยสั่งสอนหมู่เปนะ็นในทางที่ชั่วแต่ละวีแต่ละวัน แ, แนะแนวให้แนวความคิด ให้ค้าว่าให้พวกท่านทั้งหลายมองแล้วให้พวกท่านทั้งหลายเดินตามและให้พวกท่านทั้งหลายคิดที่ที่ผมแนะนําไปอให้พวกท่านทั้งทั้งหลายคิดไม่ให้พวกท่านทั้งหลายอยู่เฉยๆอมลิ้นอมฟันอยู่เฉยๆแต่ละวีละวันให้พวกท่านคิดแต่แกนคิดนั้นไม่ใช่คิดไปในทางมิจฉาทิฐิแนะนําไปให้แนะนําไปในทางเป็นสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะอท่านแนะนําอย่างนี้นะให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างนี้นะโดยมากผมจะแนะนำำําทําตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แนะนําตามธรรมคาส่อ ง, ส อ, งสอนของผมแต่พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นําเป็นผู้บอกคุณทางเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้นําพวกเราประพฤติปฏิบัติอจับใจของเราคิดอย่างนี้นะ ทำอย่างนี้นะจับขาของก้าวเดินอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นมีแต่บอกว่าให้ทําอย่างนี้นะให้ปฏิบัติตนอย่างนี้นะให้คิดอย่างนี้นะให้พูดอย่างนี้นะท่านมีแต่บอกทางเท่านั้นเองพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อฟังดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกถูกไหมที่ท่านบอกท่านกล่าวนั้นพวกเราก็เดินตามท่านเองในเมื่อเดินตามนั้นน่ะความสุขความผาสุข ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะที่เข้ามาศึกษาที่ผมแนะนำสั่งสอนให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เรื่องสุราเนี่านี่แหละผมขอร้องอย่างมากถ้าพวกท่านทั้งหลายเคารพในผมนะเคารพในผมที่เป็นอาจารย์และเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน ให้พวกท่านทั้งหลายงดดื่มสุราเพราะอะไรสุรานี่แหละจะเป็นตัวร้ายกาศที่ทํำร้ายทํำลายพวกท่านทั้งหลายบางคนอาจจะเสียอนาคตบางคนพอติดสุราแล้วก็เสียทําความช่วยเสียหายมากมายหลายอย่างเพราะฉนั้นทางงดได้ดีเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดแต่กินเข้าไปแล้วก็ตับโงตับแข็งอีกต่างหาเสียปู้เสียคนอีกต่างหากเพราะนั่นเมื่อออกไปแล้วบางคนพอสึกไปแล้วยังเอา เล่าไปเลี้ยงหมูอีกต่างหากฉลองเฉลิมกันวัดได้บวชมาแล้วไปเลี้ยงเล่ากันเลี้ยงเอาหงอาหารกันเอาเล่ามาเลี้ยงเขาอีกอย่าได้มีถ้าเป็นลูกศิษย์ของผมล้วอย่ามีอย่างนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องคิดให้ดีที่ผมพูดที่ผมเตือนอันนี้เมื่อพวกท่านทั้งหลายออกไปเป็นฆราวาส ต, ต้องเป็นฆราวาสที่ดีให้อยู่ในคราวาสธรรมมีสัก จ, จะมีธรรมะ มีขันติมีจาคะอยู่ในจิตในใจของพวกท่านทั้งหลายอันนี้ผมสอนแล้วสอนอีกแล้วให้มีความหมั่นขยันอดทนอุตสาหะวิริยะอุดฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยนันอารักขสัมปทาให้รักษาหน้าที่การงานของตนเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทกัญญาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าคนเลวคนชั่วอย่าไปคบค้าสมาคมสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ อย่าไปคดไปโกงไปป้นไปจี้มาเลี้ยงชีวิตของเราถ้าเราเอาของไม่ดีมาเลี้ยงชีวิตของเราถ้าเรามีครอบมีครัวมีลูกเราเอาของไม่ดีมาเลี้ยงลูกของเราเลี้ยงหลานของเราลูกหลานของเราก็เป็นคนเลวไปเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะเหตุไรเพราะเราเอาของไม่ดีมาเลี้ยงเขาเพราะนั้นเราต้องเอาของที่บริสุทธิ์เอาของที่ดีทําด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราเสร็แสวงหามาด้วยความสุดเจริญมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงตัวของเราเอง ความจเจริญผาสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละตระกูลอันมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานพาะสถานสี่ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำค่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุศิลให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นหนทางแห่งความจิบหายอันนี้พวกเราก็ต้องคิดไวอบายยมุก ค, ค, คือเหตุเครื่องจิบหาย เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการผนันคบคนชั่วเป็นมิรเกรียดค้านทำการงานอันนี้ก็เป็นหนทางแห่งความจิบหายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราได้ศึกษาได้ฟังได้ศึกษาตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปถือว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นหนทางแห่งความจิบหายที่จะนำสู่มาสู่พวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันทพวกท่านทั้งหลายอย่าลืมเมื่อออกไปเป็นครวญญาติโยมแล้ว เราเป็นค า, ารวาดสนุกสนานประสบความสำเร็จในทางโลกมั่งมีศรีสุขมียดฐาบรรดาศักดิ์สูงแล้วความแก่ความตายจะเข้ามาไม่ถึงข้าไปเจา้าพวกท่านทั้งหลายอยากคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าเป็นความคิดใช่ไม่ได้พวกเราต้องคิดว่าอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราจะต้องถึงจุดจบอีกสักวันน่นไม่ต้องสงสยัย ข้าจะต้องตายในเมื่อเราคิดอยู่อย่างนั้นเสมอสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์เราก็ต้องทำอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรื่องจิตภาวนาเราไม่ควรจะห่างเหินจนเกินไปเราก็ควรจะภาวนาเมื่อเราเป็นไปเป็นร า, ารวะแล้วก็จะไหว้พระอย่างไหวยอย่างวันนี้ได้เพียงแค่นี้ก็พอแต่อจฉายานปัจจเวกไม่ต้องก็ได้เอาที่นั น, นะชราธโมมิหังสุกิโต จนถึงอันสุดท้ายการแผ่เมตตานี่นแหละเท่านี้ก็พอจากนั้นก็นั่งภาวนาอย่างน้อยอย่าให้ขาดวันละยี่สบสาสิบนาทีถ้ามากกว่านั้นก็วันละชั่วโมงถ้าทาตนได้อย่างนี้นั่นแหละความเจริญในจิตในใจของพวกเราไปถึงวันไหนถึงวันจุดจบของชีวิตพวกเราก็จะมีหลักยึดทางด้านจิตใจจิตใจของเราจะร่มเย็นเป็นสุข นึกคิดมาเวลาใดใจของเราจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะใจของเรามีหละ่ะแต่ถ้ามาพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ปุปปั้นตนแล้วปล่อยปะละเลยพวกท่านทั้งหลายอย่าหวังเลยเมื่อชีวิตของพวกท่านทั้งหลายแก่เท่าชรากไม่รู้จะทํำยังไงนุ่นละ่ะกอกบุหรี่กอกเหล้าเข้าไปเพลิดเพลินไปนั่งเฝ้าไปตกเบ็ดไม่ได้คิดว่างั่นน่ะ ชีวิตของเขาเขาจะเจ็บปวดขนาดไหนเอาเบ็ดไปเกาะปากเขาต้องรอนสิเอาของเหลมแหลมมาเกาะปากเราด้วยสิเรามีความรู้สึกอย่างไรซิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดนะอันนี้ผมสอนให้พวกท่านทั้งหลายคิดชีวิตประจาวันต่อไปในอนาคตถึงพวกรัานพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาถึงจะไม่ได้อยู่เป็นพระก็ให้คิดสอนให้คิดให้พิจารณาให้ไตรตรองเหตุและผล ให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบอยามเบียดเบียนตนและผู้อื่นจากนั้นก็ให้ภาวนาอย่างที่ผมได้สอนจะทํายังไงที่จะทําใจให้สงบให้ได้ให้ให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธนี่แหละหลักยึดทางด้านจิตใจถ้าพวกท่านทั้งหลายทําอย่างนี้ชีวิตประจําวันของพวกท่านทั้งหลายทําอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเองจะได้รับความสงบผ่มเย็นเป็นสุข จิตใจของท่านพวกท่านทั้งหลายจะมีหลักเมื่อเท่าแกะชะลาพวกท่านจ ะ, จะไม่ว้าเหวอ้างวา้างเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะเหตุพอะไรเพราะพวกท่านจิตใจมีหลักรู้จักปล่อยรู้จักวางในตัวของพวกท่านทั้งหลายเองเออเกิดมาเนี่ยเราก็ได้ศึกษามาแล้วชีวิตของพวกเราเไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะถึงคราวเราแล้วเถอะถึงคราวเราแล้วเราก็ต้องไปสิ เ, ออเราจะอยู่โชคฟ้าดินสลายได้ยังไงถึงคราวตายเราก็ต้องตายเราจะไปอยู่ได้ยังไง วันนั้ก่อนที่จะตายคุณงามความดีของเรามีพร้อมอะไอย่างคุณงามความดีของเราเราเตรียมพร้อมอะไรอย่างเป็นเครื่องอุ่นใจอะไอย่างคุณงามความดีของเราที่ทํามาแล้วนี้สิ่งเหล่านี้นั่นแหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมเตรียมใจไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่วัดของหลวงพ่ออยู่เออเล่เฮยเล ย, เ ล, ยลอยลงเป็นวันๆไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นผมรับพวกท่านทั้งหลายมาผิดหวังอย่างมาก เพราะผมมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นและเกิดว่าอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีเพราะฉนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายทุกทุกท่านนะอย่างที่ผมพูดผมพูดจริงจังและจริงใจในพวกให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังตั้งฝ่ายโยมผู้จริงในครัวก็เหมือนกันอเมื่อได้ยินได้ฟังสอนพร้อมๆกันเพราะมีหัวใจเหมือนกันมีแนวความคิดเหมือนกัน ต้องการความสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์ด้วยกันทุกคนเพราะนั้นคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนําไปคิดนําไปพิจารณาปรับปรุงกายใจของพวกท่านทั้งหลายเพราะพวกพ่อหลวงพ่อเองได้สอนมามากต่อมากเรื่องจิตตภาวนาศินเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงพิมุตติพ้พนทํำยังไงอันนี้สอนไว้หมดถึงพวกท่านจะทําไม่ถึงจุดนั้นก็ควรจะเรียนรู้เอาไว้ ว่าเนี่ยแหละวิชาเศรษฐีวิชาพ้นทุกคนจะรวยขึ้นมาจะรวยได้อย่างไรแล้วพูดที่จะเป็นเศรษฐีนั่นจะเป็นเป็นไปอย่างไรแนวทางของเศรษฐีนี้ก็เหมือนกันแนวทางที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารนั้นเป็นแนวทางอย่างไรพวกเราก็ควรจะเรียนรู้เอาไว้ถึงจะไม่พ้นทุกข์ก็เถอะให้รับทราบเอาไว้ต่อไปภายภาคหน้าเราก็มีโอกาสเราก็จะพยายามเดินตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจากนั้นความ สงบพร้อมเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจก็ไม่ใช่อื่นไกลพวกท่านทั้งหลายเองปฏิบัติเองพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความสุขเองแต่พวกท่านทั้งหลายเดินออกนอกลู่นอกทางเมื่อไหร่เมื่อนั้นละ่ะพวกท่านจะถึอความหายนะความจิตหายก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกท่านความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจของพวกท่านเช่นเดียวกันแต่พวกท่านทั้งหลายเดินถูกทาง่ความสงบพร้อมเยนผาสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกท่านเหมือนกัน เพราะนั้นผมเป็นเพียงแต่ผู้ชี้แนวทางให้แก่พวกท่านทั้งหลายเดินเท่านั้นในการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุตินะในการพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายลตั้งใจนะและ ก, การงานผมมองมองดูแล้วก็ทํามาได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีในระดับการงานของพวกเรา หลวงพ่อเองไม่หนักใจเพราะพวกเราก็ช่วยกันตามอัตภาพการดูแลวัดวาศาสานาคนละไม้คนละมือพิภาคสาเมืองอุดรมาขอจากหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่อเป็นวัดที่รับอุปสมบทหมู่โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนอายุของพระองค์80 83ปีนี่แล้วก็วันที่ห้าธันวาก็จะมีการบวชทางพิพากษาอายการตํารวจทั้งจังหวัดนั่นนหะเขาจะจัดขึ้นก็มาให้หลวงพ่อรับภาระหลวงพออ่อเอออันนี้เป็นในหลวงเป็นพ่อของประเทศเป็นพ่อของพวกเราอีกเหมือนกันพ่อหลวงของพวกเราพวกเราก็ควรจะช่วยกัน แสดงออกซึ่งความกระตันญูกตเวทิตาความแสดงกระตันยูที่ลุงพ่อไปเทศที่วัดหลวงปู่ฟักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆอ น, นั้นก็เป็นบุพะการีในระดับหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกจากนั้นพระตัดพระธรรมคําสั่งสอนออกมาพระธรรมก็คือเป็นบุพะการีของพวกเราพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นบุพะการีของพวกเรา ที่ท่านแนะนําสั่งสอนศีลธรรมให้แก่พวกเราถ้าท่านไม่แนะนําสั่งสอนศีลธรรมเผยแผ่ธรรมะมหาพวกเราพวกเราจะรู้พวกพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไรจากนั้นก็เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่ท่านปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมารัชการที่หเห็นไหมตามประวัติของท่านปกป้องประเทศเกือบจะเอาไม่รอดยุกราอาณาจักรแล้วเป็นยังไงอันนั้นแหะคือท่านปกป้องประเทศมาแล้ว มาถึงพวกเราพวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะมาทะเลาะกันข่าเกง่งใครกล้ า, ยาอย่างนั้นเหรอทําไมไม่อ่านประวัติศาสตร์ดูโครงการพระราชดำริเท่าไหร่ที่ในหลวงของเราได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติล้วนแล้วแต่เป็นบุพภาการีทั้งนั้นบุคคลผู้มีอุปการะก่อนจากนั้นพ่อแม่ของเราก็คือบุพภาการีอีกอันหนึ่งที่เราได้เกิดมาและท่านได้เลี้ยงดูเรามาอันนี้คือบุพภาการี ในกำเนิดในร่างกายของเราและบุพการีอันหนึ่งก็คือเราได้รับทำคําสอนจากพระอุปชาอาจารย์ที่เราได้บวชมาเป็นบุพการีของเราคือเราได้บวชจากพระอุปชาจากพระอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมการล้วนแล้วแต่เป็นบุพการีแต่ละท่านแต่ละองค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าให้หลวงพ่อเป็นผู้รับภาระมีมากเท่าไหร่ประมาณ18องค์ไม่มีปัญหา ขัทาบริฐารหลวงพ่อรับได้ไม่มีปัญหาคงจะรับได้ถ้าสิบแปดองค์บวชเพื่อในหลวงไม่มีปัญหาแล้วก็พร้อมกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีนักศึกษาเขามาปีนี้นักศึกษามหิดลจะมาขอบวชกับวัดเราเอีกนะเป็นปีที่ห้าหลวงพ่อก็รับอันนั้นก็คงอัน โครงการพระราชาโครงการของในหลวงเนี่ยบวชฉลองเฉลิมพระเกียรติเนี่ยปิดนิวันวันที่สองนะวันที่สองธันวาแล้วก็คงจะประมาณชักเดือนนึงคงจะไปศึกเดือนมกราพอเดือนธันวามกราใจแล้วชวนนักเดือนแพทย์อันนั้นจะเข้ามาเดือนมีนาเข้าเมืองเดือนเมวันที่ ที่แถลงวันที่สี่และวันที่ห้ามีนาก็จะสึกวันที่สิบเมษางั้นประมาณสักเดือนเดือนกว่ากว่านิดหน่อยอยางไง น, นั้นหลวงพ่อก็รับแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่ามากเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องประกาศผู้สมัครว่าใครจะบวชที่จะบวชวัดนี้บวชอย่างงั้นอย่างานั้นแต่ตามโครงการใครจะบวชอันนี้ก็คือชมลมพัดเก็จะประกาศกันแต่เมื่อ ครั้งก่อนก็ส8บแปดรูปอย่างที่ว่านะ่นะสิบแปดองค์นและเรขอให้ถึงยังไงยังไงก น, นั้นแหละวัดวาศาสนาเราจะคับแคบก็ไม่ได้เราจะเกี่ยวญามุงเมืองก็ไม่ได้นะเราต้องรับความเหมาะสมกำลังของเรามีขนาดไหนแต่ขณะนี้หลวงพ่อกับคีฟ้าไม่น่าจะหนักหนานะนะพวกเราน่าจะรับได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมนะจะปฏิเสธหันหลังให้สังคมตลอด มันก็ไม่ถูกจะแบกหมดทุกอย่างหมดทุกโครงการก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งเขานิมนต์ไปแสดงธรรมหลวงพ่อแต่ขนาดอยู่ในวัดของเราเราก็แบกจนหนักบาอยู่แล้วเราจะไปออกไปนอกวัดอีกไปแสดงธรรมไปพูดกล่าวนอกวัดอีกหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันถ้าจำเป็นสำคัญเออก็ไม่ว่ากันที่ว่างานล้มงานตาย อย่างเนี้ยงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนี้เอออันนั้นต้องไปเพราะเหตุไรเพราะว่างานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่ไปส่งเสริมไม่ช่วยกันแบบไม่ช่วยกันถามไม่ไปช่วยกันจัดการเราจะเราจะให้ใครฮะอันนี้จําเป็นแต่ส่วนอื่นๆ น, นั่นก็ให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในบ้านในเมืองอบรมสั่งสอนใะถ้ามีความจําเป็นมากเออเอา อถ้าว่าอยากจะฟังของเราเราคมีเอ็มพีสามแจกอยู่แล้วใครอยากจะฟังเอาเอาไปฟังได้ไม่ใช่จะฟังสดจะฟังสดได้ยังไงป่ากเดียวคนผู้มาเกี่ยวข้องกับวัดเรามากแต่ละวี่แต่ละวันเกือบจะว่าไม่เคยขาดแต่ละวันอแต่ละมากแต่ละน้อยด้วยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้คิดบวกลบคูณหารเหมือนกัน ว่าสมควรไม่สมควรอย่างไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรหลวงพ่อก็ได้คิดเหมือนกันแต่บางครั้งก็อย่างว่าดนะอาจจะเข้าข้างตัวเองบางบางทีอาจจะเวอร์ไปก็ได้อ ย, อย่างที่วาดนั่นนะโลกคนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงมันจริงจะถูกต้องไม่มีตาช่างที่จะมาช่างใส่กันนะว่ามันเปี้ยเปี้เปี้ยทำอย่างหนึ่มันก็ผิดใจคนหนึ่งทําอย่างหนึ่มันก็ถูกใจคนหนึ่ง คนที่ถูกใจเออใช่ถูกต้องถูกต้องหลวงพ่อถูกต้องถูกต้องแต่คนที่ไม่ถูกใจไม่ถูกไม่ทุกหลวงพ่อไม่ถูกไม่ถูกไม่ทุกลงพ่อมันก็มีทั้งสองเงื่อนสองอย่างอย่างนั้นอีกเหมือนกันแต่เราที่เป็นหลวงพ่อเนี่ยต้องคิดดูให้ดีทีนี่อันไหนเหมาะสมไม่ใช่ว่าเขาให้แบกอ้อนหินจนหลังจะหากกลับไปแบกเพราะเขาบอกให้แบกไม่ใช่อย่างนั้นอจะไม่ใช่ว่าจะถอยหมดทุกอย่าง เพราะเขาบอกให้ถอยไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเป็นตัวของตัวของเราอีกเหมือนกันควรจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมในชุมชนและสังคมผู้ที่มาเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้บวกลบคูณหารดูทั้งหมดแต่สำหรับเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรื่องของหลวงตาแล้วนะ่ะหลวงถือหลงพ่อถือถือว่าเป็นเป็นพระเจดีเราต้องเทิดทูน บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องฟังนะเราต้องฟังถึงท่านยัพูดยังไงเราก็ต้องฟังเราจะไม่เถียงเราต้องฟังถ้าใครเถียงครูบาอาจารย์นั้นนะความหายนะความเจ็บหายมันจะอยู่ใกล้ๆนะฮะอย่างหลวงพ่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในชาดกนะ่ะมีลือสีพราหมณ์ในกรุงพาราณาสีไปบวชในป่าเป็นลือสี มีบริวารมากบริวารห้าร้อจากนั้นรือสีก็สอนธรรมะธรรมโมให้แก่ลูกศิษย์เป็นประจำไม่เคยขาดแต่แตอนนี้มีลือสีคนหนึ่งไปเห็นลูกช้างแม่มันตายเห็นมันป้วนเปี้ยนอยูอ่ก็เลยเอาลูกช้างเอามามากระมาเลี้ยงอาหงเลี้ยงอาหารทางอาจารย์นี่ก็บอกเอ้ยท่าน ออท่านอินทรสมบัตินชื่ออินทระสมบัตินท่านอินทรสมบัติท่านจะเอาช้างมาเลี้ยงไม่ได้นะช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะท่านต้องเลี้ยงพอประมาณให้มันใหญ่พอเลี้ยงตัวเองได้แลวท่านก็ควรจะเอาไว้ไปปล่อยในป่าซะให้มันไปหากินตามลำพังท่านไม่ควรจะเอามาเลี้ยงเพราะมันอันตรายนะสัตว์ใหญ่แหมมันขามันตกมันขามันเป็นพิษเป็นภัยมันมีต่นี่ก็เถียงอาจารย์นะ ที่อาจารย์อาจารย์เออชูแทะแต่ท่านนะท่านจะเลี้ยงก็แถวชูแท้แต่แตอนนี้เราเตือนแล้วเราบอกแล้วท่านจะเลี้ยงกับเราไม่ว่าเอาเลี้ยงไปนะภายภาคหน้าท่านน่นนะมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านจะรู้เององค์นี้ก็ไม่เชื่ออาจารย์เหมือนกันท่านก็เลี้ยงช้างตัว น, นั้นพอเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงออกไปช้างมันอยู่ตามลาพังเออมันไม่ได้ระ บ, บายอะไรออกไปเนี่ยมันก็คลั่งได้แต่เนี้ ลือสีเหล่านั้นก็ลือสีที่เป็นหัวหน้าก็ไปหาผลไม้ไปนอนค้างป่ากับหมูพวกเพื่อนสามวันสามคืนเหมือนกันนะพอได้ผลไม้มาแล้วก็ทั้งได้หัวมันมาแล้วก็รีบมาเหมือนกันนะรีบมาทิ้งหมูไว้ดางหลังเพราะเป็นห่วงช้างเหมือนกันเพราะเป็นห่วงช้างรีบมาเพื่อจะเอาอาหารให้ช้างตัวเองกินอาหารอร่อยๆนะ แต่มันตามกินมันก็กินกอไผ่กินอะไรพอแรงแล้วแต่ยากจะให้มันกินอาหารอร่อยที่ตัวเองเอามาต้อมาก่อนเพื่อนพอมาถึงทีงงไ่ไหนได้ช้างตอนนี้มันตกมันนิทนึงมันจ้องอยู่ในป่าพอฤาษีนี่เขามากัดแป้นออกไปเลยว่างั้นแต่ครบเลยวงั้นแต่ะตี้ยเจียบเลยฤาษีอจากนั้นกับหรืออาสงหรืออาสมฤาษีกระจุยกระจายแตกไปหมดพอมัน ช้างตกมันช้างเป็นบ้าบางผู้นิง่ายช้างตกมันมันคลั่งว่างั้นเถอะคลั่งคือกาม ก, กิเลส ข, ของมัน่ะมันคลั่งมันไม่ได้อประสมพัน์น่ะอมันคลั่งโพนสุขฆ่าฤาษีตายพวกฤาษีที่เดินน่อยตามภายหลังมาเห็นมันเหยียบซื่อศีโษต่างคนก็ต่างปีนขึ้นต้นไม้เปิดแหนบของไครของเราว่างั้นเถอจากนั้นก็มาพอจากนั้นมาช้างตัว น, นี้ก็เลย พวกฤาษีทั้งหลายก็พยายามไล่ก็เข้าไปในป่าดงพงไยต่อไปพอไล่แม่มันมาอยู่จุดไฟไล่อะไรม่ไ่มันก็อยู่ไม่ได้เทยเนี่ยมันก็กลัวเหมือนกันแต่มันก็เปิดแหนบไปทางอื่นฤาษีผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่านี่แหละบอกแล้วไม่ฟังที่เป็นอาจารย์เราบอกแล้วด้วยเจตนาดีทำไมไม่ฟังนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรามีหูสองข้างต้องฟัง อไม่ใช่ว่าพอพูดอะไรขึ้นมาเถียงตะตพัดตนะพืนมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกเราต้องฟังเหตุต้องฟังผลว่าเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันทําไมเป็นอย่างนี้จากท่านถ้ามันใจเย็นแล้วจงค่อยมาแสดงความคิดเห็นมาพูดถ้าใจร้อนอยู่อย่าพูดถ้าใจร้อนมันผิดได้ทั้งนั้นเพราะใจมันยังร้อนอยู่แต่ท่านพิพูดเจตนาดีท่านมองเห็นแล้วว่ามันจะเป็นพิษเป็นภยัยใจช้าง ไปเลี้ยงขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงอันตรายนะออตัวเองไปเถียงท่านจนตายได้ย่างค่อยแล้วอนะอาจารย์ก็ตายแล้วอนั่นแหละทํายังไงได้เราจงบอกแล้วบอกว่าพวกท่านจะรู้เองในอนาคตก็รู้ได้อย่างนี้แหละตายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอยู่ณสถานที่แห่งใดอไม่ใช่จะอยู่ณสถานที่แห่งนี้อยู่ณสถานที่แห่งใดเราต้องฟังหมู่ฟังเพื่อนฟังครูบาอาจารย์ ฟังพักพักพวกมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันเราก็ฟังเหมือนกันเหตุผลมีอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อเขาไปกล่าบหลวงตาก็เหมือนกันหลวงตาท่านสอนอย่างไรหลวงตาหลวงพ่อก็ฟังคําว่าที่จะเถียงท่านไม่เคยมีเลยเนีผิดหรือถูกต้องฟังแต่พอใจไหมเป็นพอใจพอใจไม่พอใจก็ต้องฟังเพราะเราถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เราแล้วถ้าว่าท่านถือว่าเราเป็นมิตรเพียงเป็นเพื่อนกันอเถียงกันได้ อนนอันนั้เป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนกันฮแต่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรจะเถียงไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนเพราะท่านพูดแล้วก็จบจบแล้วนะ่นมันอยู่ในใจของเราเราจะเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแต่อยู่กับท่านเราก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านบอกกล่าวเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในท่านถ้าเราไม่อยู่ไม่จะปฏิบัติตามที่ท่านบอกกล่าวเราไม่เชื่อไม่ฟังท่านแล้วเราจะอยู่ทําไมฮะแผ่นดิน ในประเทศไม่ใช่แคบแผ่นดินในโลกไม่แคบเหมือนใบมะขามวะไรมะขามป้อมอะไรใบ ม, มันใหญ่เบ้อเล่อบลเบ้อลาเราหนีไปอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านก็ไม่ได้ใช่ว่าห่วงห้ามเราโลตากัเหมือนกันที่เรามาอยู่ที่นี่ท่านก็ไมาเห็นวห่วงห้ามเราก็มาอยู่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกองทุกท่านทุกหัวใจต้องคิดนะตามไม่จริงเวลาหลวงพ่อพูดลุกไปเยี่ยวลุกไปสู่บริเวณองค์ไหนมีวย ถ้ามีบอกเรานะว่ะมันทําไมไม่มีขันติคือความอดทนถ้าหลวงพ่อพูดจบเลยนี่เออเอาไม่ว่าออกไปถ้าหลวงพ่อกําลังพูดอย่างลุกไปไปหาดเยี่ยวไปหาดเดินเล่นมันไผ่วะมันขาดความอดทนขนาดนั้นวะมันควรจะไล่หนีออกจากวัดเนะ่ยเราไปอยู่กับองค์หลวงตาตั้งแต่สองพันห้ารสิบสามถึงผงศรมหารอยี่สิบห้าเราไม่เคยเลยที่หลวงตาเทศแล้วจะลุกไ ป, เ ด, ไปเดินไปนู่นเดินไปนี่ ในวัดของเรามันมีนะแสดงว่าขาดความเคารพไม่เชื่อในคําพูดของเราเผลอๆเราจะไล่หนีจากวัดนะเราจะอยู่คนเดียววะทําไมวะจะฟังไว้นะพวกท่านทั้งหลายฟังไว้นะแสดงว่าไม่อดทนผมพูดเพียงยี่สบสามสิบนาทีก่อนจะขึ้นมาทําไมไม่ไปขี้ซะก่อนแอบทําไมไม่ไปเยี่ยวซะก่อนฮะทาไมไม่จกคอล่วงคอออกมาซะก่อนเอบทาไมให้มัน มีปัญห า, ากันแับตนเองอย่างไร เ, เราไม่ได้จะพูดนานเท่าไหร่อย่างมากก็เพียงชั่วโมงเดียวเท่านะั้นนั่งชุบเพียงชั่วโมงเดียวไม่ได้เลยสามสิบสี่สิบนาทีที่เราพูดอันนี้เพียงนั่งเพียงแค่นะั้นยังไปไดนะ้แสดงว่าแย่มากนะพวกท่านทั้งหลายนะไปนั่งตามลำพังจะอยู่นานเท่าไหร่ขนาดนั่งต่อหน้าผมแท้ๆมันก็ยัง อ, ออกนอกรูนอกทางไปได้แต่นั่งตามลำพังจะเป็นยังไงบอกอ่านที่ห่อออกเลยไม่เอาไหนนะ